เข้าใจในที่เขียนเอาไว้นี่หมวดที่หนึ่งนะก็ได้สมถะลมดับไปก็เหลือตั้งแต่กิจโผล่ขึ้นมาลูลูลูอยู่เฉยๆง่ายง่ายไม่มีอะไรของให้เราฝึกสติ มาแล้วลึกรู้ว่ายาวว่าสั้นถ้ารู้ว่ายาวว่าสั้นว่าเบาว่าหนักว่าหยาบว่าละเอียดว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็เรียกว่าวิจัยวิตกวิจารก็เรียกได้เหมือนกันพอวิตกวิจาร์อยู่นั่นก็จะเกิดปีติสุขขึ้นมาก็หมวดที่สองท ปีติสุกเอกพระใาลมปีติสุกก็จะเกิดขึ้นตอนเราวิตกพิจารณ์อยู่ว่ามันละเอียดมันเบามันนิ่มจิตของเราก็จะเกิดปีติไม่ได้ซื้อไม่ขอใคร เป็นมาเองของให้เราทําก็แล้วกันนะเมื่อเกิดพี่ตีแล้วสุขก็ตามมาทันทีความสบายความสุขความสบายตามมาแล้วเราก็ความสุขความสบายนีนะ่มันไปประกอบจิตใหม่จิตจึงตั้งชื่อว่าจิตตสังขาร นี่ตัวนี้นะถ้ากลัวจะจำไม่ได้ก็โ น, นอ้ตเย อ, อลงกิตตสังขารลปฏิสังเวทีรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกิตตสังขารกิตตสังขารนี่หมายถึงความรู้สึกเกิดเวทนาขึ้นมานะเมื่อสุขกับปิติไปประกอบกิจ จิตจึงกลายเป็นเจตสิกกลายเป็นกิตแต่สังขารขึ้นมาเพราะสุขิจิตสุขนั่นนะคือทำไปประกอบจิตใหม่จิตตัวนี้จึงถูกปรุงแต่งจึงเรียกว่าจิตตสังขารละปฏิสังเวทีถ้าไม่เข้าใจก็โน้ตย่อไว้ตรงว่าง ปัจสัมภยังจิตตะสังขารังแล้วเราก็ทำจิตสังขาร น, นี่แหละให้ลำงับดับลงเมื่อลำงับดับลงก็จะเหลือแต่ จ, จิตแท้ใจเดิมเป็นผู้รู้รู้รู้รู้อยู่ประมาณขึ้นเป็นหมวดที่สามจิตตะปฏิสังเวทีก็เอาจิตมารู้อยู่ เฉพาะซึ่งจิตรู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตเมื่อเห็นจิตเจ้าของเป็นผู้รู้รู้ว่างอยู่เงินแล้วก็ทำจิตให้เกิดปาโมดอภิปปะโมถ้ายังจิตตังปาโมดลื่นเริงเบิกบานอยู่ เมื่อใดตาโมดเลื่นเลื่องเบิกบานอยู่จิต ก, ก็จะรวมตั้งมั่นเป็นสมาธิก็เรียกว่าสมาทหังสมาถะก็แปลว่าสมาธินั่นแหละสมาทหังจิตตังจิต ก, ก็จะตั้งมั่นเป็นสมาธิ เมื่อกิตตั้งมั่นเป็นสมาธิก็จะเกิดวิ ป, ปโมถ้ายัางกิตตั้งกิตก็จะปล่อยวางว่าอย่างนั้นไหมว่าปล่อยวางไหมฮะปล่อยวางโลกวางอารมณ์วางสมมุติวางทั้นห้าวางอดีตวางอนาคตรู้รู้รู้เฉยนันอุเบกขาเอกับคตตาลม นี่หมวดที่สามความหมายมันว่ายอย่างนี้ขึ้นหมวดที่สี่ข้อหนึ่งหากเราดูลมหายใจไปเรื่อยๆไม่ต้องทำอะไรมันแต่เห็นว่าลมหายใจเข้าแล้วก็ออก เข้าออกเข้าออกอยู่ไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องทําอะไรไม่สงบไม่อะไรไม่ไปปรุงแต่งลมแต่เห็นลมหายใจเข้าออกก็มันเข้ามันออกมันเที่ยงไหมล่ะฮะไม่เที่ยงก็เรียก พระองค์จะเห็นอนิจจานุปัสสีนี่เห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำเมื่อหายใจเข้าเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำเมื่อหายใจออกก็เรียกชื่อว่าอนิจจานุปัสสีดูไปดูมามันก็จะเกิดวิราขานุปัสสี เบื่อในคลายความยินดีเรียกว่าวิลาคานุปสีไม่ยินดีไม่พอใจเพราะว่ามันเกิดมันดับมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนอไว้ใจไม่ได้ถ้ามันเขา้าไม่ไม่เขา้าไม่ออกแล้วก็ตรงใจแน่ๆไม่มีสาระเข่นสาร มันเป็นเพียงธรรมชาติเท่านั้นบังคับบังชาไม่ได้แล้วก็เข้าใจอันนี้จึงเกิดมีความดับดับลมให้ใจลงปล่อยมันทิ้งไปดับแล้วก็นี่โลธานุ ป, ปัสสีนะั่นแหละดับ นึกออกไม่ละ่ะนี่โหลดแปลว่าดับดับด้วยสติปัญญารู้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์แล้วกอปล่อยไปลงไปถึงวิธีดับก็คือสลัดทิ้งอืมสลัดออกของไม่ดี สลัดทิ้งไปเหมือนเขาสลัดมือสลัดอะไรมากัดมาไตามต้อมสลัดออกปัดออกเรียกว่าปฏินิสข า, านุปสัสสีต้องทำความเข้าใจเราจึงจะอ่านแล้วจึงจะไม่เบือ่อถ้าอ่านแล้วไม่รู้อะไรตีความหมายไม่ออก ไม่อยากทําแต่ก่อนล้งตาก็ไปอ่านเจอก็เป็นอย่างนี้เพราะว่าไม่เข้าใจพอเข้าใจแล้วโอ้นั่นที่จริงมันก็ไม่ยากอะไรลมหายใจมันก็เข้ายาวออกยาวเข้าสัานออกสั้นสลับกันอยู่อย่างนี้ไม่สั้นก็ยาวไม่ยาวก็สั้น เราก็รู้พร้อมซึ่งลมให้ใจเข้าออกมันเข้าออมันออกอยู่ในกายของเราเนี่ยเเรียกว่าเห็นกายในกายอันเดียวกันก็ง่ายง่ายง่ายไหมล่ะทีน่นีง่ายขึ้นไหมถ้าเข้าใจแล้วถ้าไม่เข้าใจก็ทำไม่ถูกทำไม่ถูกมันก็ไม่ได้ถ้าเข้าใจแล้วก็ทำถูก มันก็ได้